อากังขมาณะฉักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงอุกเขปนิยกรรมหกหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเละ ก่อความวิวาสก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. โง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัติมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับคฤือหัดด้วยการคลุกคลีกับครือหัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสองเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่มีศีลวิบัตในอัิสินสง มีอาจารระวิบัติในอัชฌาจาร์สามมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษสุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษสุผู้ประกอบได้องค์สามเหล่านี้แลหมดที่สามกษสุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง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 แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุสามจำพวกคือ 1. รูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาสก่ออธิกรณในสงค์2 รูปหนึ่งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับขรคฤหัดด้วยการคลุกคลีกับขรคฤหัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุสามจำพวกเหล่านี้แลหมวดที่ห้า ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุอื่นอีกสามจำพวกคือ 1. รูปหนึ่งมีศีลวิบัติในอัธิศินสอรูปหนึ่งมีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร 3. รูปหนึ่งมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปปณยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุสามจำพวกเหล่านี้แลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปปณยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุอื่นอีกสามจำพวกคือหนึ่ง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 ในอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบ